ซีดีแผ่นที่เก้าของหลวงพ่อกำลังจะออกสู่สังคมชุมชนแต่แต่ตาไม่จริงถ้าหากว่าผู้ที่ตั้งใจฟังหลายๆแผ่นที่ผ่านมาหลวงพ่อว่าคงจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังไม่มากก็ น, น้อยไม่ไม่อยากจะพูดคำนี้อยากจะพูดว่า ต้องเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมากทีเดียวคงจะมีข้อคิดหลายๆเรื่องในซีดีแต่ละแผ่นแต่แผ่นนี้หลวงพ่อตั้งชื่อว่ามันฑิตฝึกตนวินยูชนฝึกใจซีดีแผ่นที่เก้าทำไมจึงว่ามันฑิตฝึกตนวินยูชนฝึกใจ ถ้าหากว่าพวกเราไม่ฝึกตนไม่ฝึกฝนตนจะเป็นคนดีได้อย่างไรตั้งแต่พวกเราเกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ก็ต้องสอนถ้าเมื่อสอนแล้วเด็กที่ได้ยินได้ฟังก็ต้องฝึกฝนตามที่พ่อแม่บอกกล่าวจึงจะเป็นเด็กที่ดีได้ถ้าหากว่าเด็กไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ก็เป็นเด็กหัวดือ้อหัวรันเป็นเด็กที่ พวกเราเห็นก็แล้วกันที่เด็กเป็นโรคออริสติกอย่างเนี้ยไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่พวกเราว่าเป็นยังไงถ้าหาว่าเด็กที่เชื่อฟังผู้ใหญ่เป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้มีปัญญ า, เ, าเชื่อฟังแล้วก็ศึกษาตามที่ได้ยินได้ฟังมาคนคนนั้นตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เท่าแก่ชรา ก็จะเป็นผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นบัณฑิตเนี่ยต้องฝึกตนอย่างในครั้งต่อพระตเจ้าบัณฑิตะสมมเนนที่เป็นลูกจิ์ของพระสารีบุตรท่านบวชแต่อายุเจ็ดขวบเป็นลูกเสษฐีพอบวชเข้ามาแล้วพระสารีบุตรพาไปบินทบาทพาเดินไปบินทบาทตอนแรก เด็กไม่เคยเข้าไปสู่หมู่บ้านคือไม่เคยไปในที่ชุมชนในที่กันดานท่านอยู่แต่ในบ้านพออายุเจ็ดขวบเองเป็นสามนเณรน้อยเดินตามหลังพระสารีบุตรพอเดินไปเณ่น้อยก็ถามว่าท่านอาจารย์ครับอันนั้นเขาทำอะไรพระสารีบุตรก็ว่าอันนั้นเขาไขน้ําเข้านา คือปล่อยน้าเข้านาเขานาข้าวเขาท่านอาจารย์ครับน้ำเนี่ยมันมีวิญญาณไหมมันมีใจไหมไม่มีน้ำไม่มีใจไม่มีวิญญาณบันดิตสมัเลรเขาคิดในใจว่าขนาดน้าไม่มีวิญญาณไม่มีใจเขายังดัดหรือว่าเขายังคัดเข้าไปสู่ท้องนาเขาได้แต่เรามีใจเรามีวิญญาณเราน่าจะฝึกฝนตนได้ ถ้าเกิดคิดในใจเราก็เดินไปอีกไปเห็นในช่างเขาถากไม้สำมะเรงก็ไม่เคยเห็นก็ถามภาษาลิบุตรีว่าอันนั้นเขาทาอะไรครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ตอบว่าอันนั้นเขาดัดไม้เขาถากไม้เพื่อจะให้มันตรงไปตามแนวแถวที่เขาต้องการเขาจะให้มันตรงเขาก็ดัดถากดัดเข้าไป ไม้มันมีวิญญาณไหมท่านอาจารย์ไม่มีไม่มีวิญญาณสมมาเนนสมมาเนนก็คิดขนาดไม้ไม่มีวิญญาณเขายังดัดให้ตรงได้แต่เราทำไมเรามีวิญญาณเรามีใจเราจะดัดให้ตรงไม่ได้เหรออันนี้ก็อยู่ในใจของสมมาเนนคือท่านสอนท่านไปเรื่อยเหมือนแต่นี้ท่านไปเห็นช่างพวกเขาดัดลูกศรลูกศรก็คือลูกศรที่ยิงธ น, นนะูนั่นแหละคือทาวว่าลูกศรมันโคง้ง มันจิงธนูมันก็ไม่ตรงอันนี้ก่อนเขาที่จะทําให้เป็นลูกศรให้ตรงได้ก็ต้องมาดักด้วยไฟเพื่อให้มันให้มันอ่อนหล่นด้วยไฟแล้วว่าเอาไปผิงไฟซะก่อนให้มันอ่อนจากน้นมาก็กดัดดัดลูกศรให้ตรงแล้วเขาก็เล็งแล้วเล็งอีกเพื่อจะให้มันตรงสมณะน เ, เขาไปเห็นถามอาจารย์อาจารย์ครับอันนั้นเขาทําอะไรทําไมเขาเล็งแล้วเล็งอีก อาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยเขาดัดลูกศรเพื่อจะให้มันตรงสมมเลนเขาถามว่าลูกศรมีวิญญาณไหมท่านอาจารย์ไม่มีสมมเลนลูกศรไม่มีวิญญาณสมมเลนเขาก็คิดกันเออขนาดลูกศรไม่มีวิญญาณไม่มีใจเขายังดัดให้ตรงได้เรามีใจมีความรู้สึกมีวิญญาณเราจะดัดให้ตรงไม่ได้เหรอ จากนั้นถทำสัมมาเรได้กติทำสองสามอย่างก็บอกท่านอาจารย์ครับผมจะขอกลับไปที่วัดครับไปพักครับอก็เลยมอบบาทให้อาจารย์จากนั้นสัมมาเรนก็เดินกลับมาหาที่พักตัวเองอย่างนี้หลวงพ่อพูดอย่างลวบลัสรนะคือเอาแต่เนื้อความจากนั้นสัมมาเรนก็เข้ามานั่งที่กุฏิของท่านอที่เอ ที่ภาคของท่านท่านก็นั่งภาวนาท่านดูใจของท่านท่านก็บอกว่าน้ําไม่มีวิญญาณเขายังฝึกดัดลงไปใส่นาอปล่อยลงไปใส่ท้องนาของเขาได้ช่างถากต้นไม้ไม่มีวิญญาณเขายังถากให้ตรงได้ลูกศรไม่มีวิญญาณเขายังดัดให้ตรงได้เราควรจะฝึกฝนตนให้มันตรงให้มัน เข้าสู่ทิศทางจากนั้นท่านก็นั่งภาวนา mm. เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของจิตใจของท่านจากนั้นท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเช้านั้นนี่เนาะบัณฑิตะสมมเนนนี่หอบันดิตควรฝึกตนวินยูชนควรฝึกใจการฝึกฝนตนเนี่ยสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็ควรจะฝึกให้มันดีขึ้นไม่ใช่ว่า ปล่อยตามมัธาใจทําตามอําเภอใจถ้ากว่าปล่อยตามอาาําอเภอใ จ, อออใจคิดตามอําเภอใจพูดตามอําเภอใจทําตามอําเภอใจจะเป็นคนดีได้อย่างไรจะเป็นพระที่ดีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านเมื่อได้ยินซีดีแผ่นที่เก้าของหลวงพ่อนะก็ขอให้ฝึกฝนตนตามแนวแถวที่ได้ยินได้ฟังตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านแนะนำสั่งสอนหลวงพ่อเองก็ได้นำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำทมคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์มาเผยแพร่ขยายผลแลวก็ให้พวกเราได้ได้ยินได้ฟังถ้าว่าพวกเราเกิดมาแล้วไม่ได้ยินได้ฟังจะเป็นคนฉลาดได้อย่างไรเพราะนั้นเรื่องการได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาอืมเป็นบ่อกเกิด สติปัญญาของพวกเราถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังแล้วจะเกิดสติปัญญาขึ้นมานั้นมองไม่เห็นทางว่างนเถอะมองไม่เห็นทางเพราะนั้นเรื่องการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนำมาคิดนำมาไตรตรองเหตุและผลเราจะขยายผลไปเรื่อยๆสติปัญญาของเราก็จะกว้างขวางไปเรื่อยๆยิ่งได้ยินพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นบรมครูเป็นต้นศาสดาเป็นต้นศาสนาเป็นต้นความคิดของพระธรรมคําสั่งสอนพวกเรานําพระธรรมคําสั่งสอนท่านผู้บริสุทธิ์แล้วท่านหมดจดจากกิเลสแล้วไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วนํามาสั่งสอนพวกเราถึงจะเป็นตัวมดตัวหนูตัวเล น, เนก็นําพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านเมตตาให้พวกเราพวกเราก็จะนามาคิดมา ไตรตองมาพิจารณาปรับปรุงกายว่าจาจใจของเราอีกสักวันหนึ่งะพวกเราก็จะประสบความสุขความเย็นใจเพราะนั้นเมื่อพวกเราได้ยินซีดีแผ่นที่เก้าแล้วขอขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติความสําเร็จความสุขความเย็นใจก็จะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราเพราะนั้น ขอให้พวกเราจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการ